พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหลเป็นวาจะเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มทรา์จากพระโอษฐ์หมวดที่ส4บสว่าด้วย การไม่เป็นท่าตันหาหนึ่งผู้เห็นแก่ธรรมสองข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่าสามคุ้มค่าเข้าสุกสี่เนื้อที่ไม่ติดบ่วงในพรานห้าผู้ไม่ถูกกล้ามหกมิเตะาพิขุเจด็ดไม่เป็นโรคชอบที่เรื่อยเปื่อย จากจากพระโอษฐ์หมวดที่14ว่าด้วยการไม่เป็นท่าตันหาปฏิปักษ์ขณัยของหมวดหอันว่าด้วยการเป็นท่าตันหาผู้เห็นแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทมีสองชนิดสองชนิดอะไรบ้างเล่าสองชนิดคือภิกษุบริษัทที่หนักในอามิ t h ไม่หนักในพระศาสนาหนึ่งภิกษุบริษัทที่หนักในพระสศธรรม ไม่หนักในอามิทหนึ่งพิสุทั้งหลายภิกษุบริษัทที่หนักในพระสศธรรมไม่หนักในอามิทเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้พิกษุเราใดเมื่อเรายกยอกันเองต่อหน้าครหัตผู้ครองเรือนว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดอุปโตภาคาวิมุตต์รูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดปัญญาวิมุตต์ รูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดไกยสกขีรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดทิฏฐิปัตะรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดสัททานุสารีรูปโนนมีศีลมีการเป็นอยู่งดงามและรูปโน้นทุศีลมีการเป็นอยู่เลวทรามดังนี้เป็นต้น ภิกษุเหล่านั้นย่อมได้ลาบเพราะการไม่กล่าวยกยอ ก, กันนั้นเป็นเหตุครั้นได้ลาบแล้วภิกษุพวกนั้นก็ไม่ติดอกติดใจในรถแห่งลาบไม่สยบไม่เมาหมกมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภลาบนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทอย่างนี้แหลเราเรียกว่าบริษัทที่หนักในพระัทธรรมไม่หนักในอา mith ชาวเมืองไม่เสียเปล่าพิกษุทั้งหลายถ้าหาพิกษุกระทำในใจซึ่งเมตตาจิตเป็นต้นแม้สักว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวพิกษุทั้งหลายพิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอยู่ไม่ห่างจากฌานการเผากิเลสเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระาศาสดาเป็นผู้ทำการสนองโอวาตย่อมฉันข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่าจะกล่าวทาไมเล่า ถึงผู้ที่กระทำในใจซึ่งเมตตาจิตนั้นได้มากคุ้มค่าเข้าสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ ข้าหบดีหรือบุกขหาบดีก็ตามเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วนิมนต์ฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้มีความหวังในอาหารนั้นก็รับนิมนต์ครั้นราตรีล่วงไปถึงเวลาเช้าเธอครองจีวรเธอบาทเข้าไปสู่เรือนของข้าหาบดีหรือบุกค้าหาบดีผู้นิมนต์ถึงแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวข้าหาบดีหรือบุกขาหบดี ได้เลี้ยงดูเธอนั้นด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองให้อิ่มหนำจนเธอบ่อข้ามเธอไม่นึกชมในใจทํานองนี้ว่าวิเศษจริงข้าพดีหรือบุคคห้าพดีนี้เลี้ยงเราด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองแล้วให้อิ่มหนำจนเราต้องบ่อข้ามดังนี้แล้วภิกษุนั้นก็ไม่นึกหวังต่อไปอีกว่าโอ๋นอแม้วันต่อๆไป ข้าบดีหรือบุตรค้าบดีเพึงเลี้ยงเราด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีต ด, ด้วยตนเองให้อิ่มหนำจนต้องบอกห้ามอย่างนี้อีกเถิดดังนี้เธอนั้นไม่ติดอกติดใจในรถแห่งอาหารไม่สยบไม่เมาหมกมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภคอาหารนั้นอยู่เธอนั้นย่อมคลุนคิดอยู่ด้วยความคลุนคิดในทางออกจากการบ้าง ครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางไม่เครียดแค้นบ้างครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากโดยไม่รู้สึกตัวบ้างณนะที่นั่งฉันนั่นเองพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าทานที่ทวไวแก่พิสุเช่นนี้มีผลใหญ่เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพิกษุนี้เป็นผู้ไม่มัวเมาแหล ที่ไม่ติดบวงในพรานภิกษุทั้งหลายสมณะเรือพราหมูพวกใดพวกหนึ่งไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในการมาคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภคกามาคุณทั้งห้านั้นอยู่สมณะเรือพราหมูพวกนั้นอันคนทั้งหลายเพิ่งเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับ ไม่ต้องทำตามประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไม่ต้องทำตามประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อนายพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย เจ้ามนาเรอพรามเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกลามคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภคกลามคุณทั้งห้าอยู่ก็เป็นผู้ที่คนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศเจ้าจยับไม่ต้องทําตามประสงค์ของมารผู้ใจบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ความเมตตเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือรูปที่ได้เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ได้ดมด้วยจมูกรสที่ได้ลิ้มด้วยลิ้นและโภทภะที่ได้สัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจโยนตาให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิษุทั้งหลาย การมาคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แหละผู้ไม่ถูกล่ามพิษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นพิกษุหรือพิกษุนิวก็ตามแต่เครื่องล่ามทางใจห้าอย่างให้ขาดออกด้วยดีแล้ว คืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เครื่องล่ามทางใจห้าอย่างที่บรรพชิตรูปนั้นตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในความทั้งหลายปราศจากความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อน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 อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกายละถึงนั่นแหละเป็นเครื่องแล่มทางใจอย่างที่สองซึ่งเธอตัดเนี้ขาดออกด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปนั่นแหละเป็นเครื่องแล่มทางใจอย่างที่สามซึ่งเธอตัดเนี้ขาดออกด้วยดีแล้วภิษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง ภิสุได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้วก็ไม่หมัวหาความสุขในการหลับไม่หาความสุขในการเอ็นกายเล่นไม่หาความสุขในการนอนซบเซาไม่อยากลุกเป็นอยู่นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สี่ซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วภิษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิษุไม่ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งว่า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 จิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ห้าซึ่งเธอตัดให้ขาดออกด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิษุนิค์ก็ตามตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างเหล่านี้ให้ขาดออกด้วยดีแล้วคืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ เช่นเดียวกับคืนวันแห่งดวงจัน์เวลาข้างขึ้นดวงจันร์นั้นโดยสีก็แจ่มกระจ่างโดยวงกลดก็ใหญ่กว้างออกโดยรัศีก็เจริญขึ้นโดยขนาดก็ขยายใหญ่ขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นแหล ภิกษุทั้งหลายมทยิที่เป็นภิกษุที่ประกอบลักษณะ5อย่างเหล่านี้เป็นคนที่ใครๆควรครบ5้าอย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ภิกษุนั้นไม่ใช้ผู้อื่นให้ทํางาน 2. อภิกษุนั้นไม่ชอบก่ออุปกร 3. ์ภิกษุนั้นไม่ทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเหล่าพระเทระชั้นครูบาอาจารย์ 4. ภิกษุนั้นไม่ชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมาย้ 5. ภิกษุนั้นมีความสามารถในการแสดงในการชี้ชวนในการปลุกปลอบในการเร้าให้เกิดความบันเทิงด้วยธรรมิกฐาตามเวลาอันสมควรภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะ5าอย่างเหล่านี้แลเป็นคนที่ใครๆควครคบแท ไม่เป็นโรคชอบเที่เรื่อยเป่ยภิกษุทั้งหลายอา น, นิสงส์ในการอยู่เป็นที่เหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือ 1. เธอย่อมได้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 2. เธอย่อมไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วสเป็นผู้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วสไม่เป็นโรคที่ทําชีวิตให้ลําบากห้า และเป็นคนมีมิตรภิกษุทั้งหลายอานิสงส์เนื้อการอยู่เป็นที่มีอยู่ห้าอย่างเหล่านี้แหละมดที่สิบสี่จบ